ยังไม่หายเหนื่อยเลยปิดสองวัน <c oughs> วันนี้งานเข้ากรุงเทพเยอะคลายๆเอาธรรมะไปให้ถึงบ้านเลย <c oughs> แต่ก่อนหนูพ่อไปเรียนนะไปไกลหาครูบาอาจารย์อยู่ทางเหนืออยู่อีสานใกล้ที่สุดโคราช ตเวไปเรียนมาที่ไปยากมากรถเข้าไม่ถึงเดินเข้าไปเดินไปครึ่งวันอย่างน้อยนะสมัยครูบาอาจารย์ท่านเดินตามหาโลวงปู่มั่นนะเดินกไปหลายเดือนที่เดินถึงไม่เจอก็มีเดี๋ยวนี้พวกเราสะดวกเรียนไม่ยากนะเปิดอินเทอร์เน็ตก็เรียนได้แนละ้วแล้วได้ผลด้วย พวกที่อยู่ต่างประเทศเขาเรียนกันลต่ถ้ามาส่งกันบ้านน่าดูนะนึกไม่ถึงนะตอนขอทำซีดีที่แรกหรือขอทำเว็บนะไม่ค่อยเรื่อมใสนะ <c oughs> ไม่เคยเห็นเงียเรียนธรรมะ ก, กันทางอินเทอร์เนต็ตเรียนไปเรียนไปเอ้ไมได้ผลจริงจริงเรียนแล้วพอไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ยอมรับนะ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 เหลืออยู่อันหนึ่งเว้นไว้ให้พวกเราตอบเองทีตัวทุกเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามทมได้ไหมเป็นอะไรฮะเป็นสองใครว่าเป็นสองอย่างบ้างใครว่าเป็นรูปบ้างตัวทุกใครว่าเป็นนามบ้างมีนามนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนนะว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกรูปนามนะ รูปตัวนาไม่ใช่รูปอย่างเดียวหรอกไม่ใช่นามอย่างเดียวตัวทุกข์กับตัวนามรูปนั้นอันเดียวกันตัวสังขารกับตัวภพเนี่ยอันเดียวกันพวกที่เหลือเป็นตัววิบากอวิชาตัณหาอุปาทานนี่เป็นตัวกิเลสตัวที่เหลือเป็นตัววิบาก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 มีแต่ความหลงผิดงั้นเรามาเรียนปฏิจจสมบัตนะิเพื่อให้เห็นความจริงนะมีแต่รูปนามรูปนามแต่ละรูปนามก็ต้องมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเห ต, ไเหตุไม่เกิดงั้นสิ่งทั้งหลายเป็นแค่ปรากฏการ์ที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆถ้าเห็นมันเป็นแค่ปรากฏการไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาก็าล้างความเห็นผิดได้ พระพุทธเจ้าท่านเห็นปฏิจจสุบตัติท่านก็นบรรลพระอรหันต์จรงแล้วการมารูุพระอรหันต์ทุกๆุกองนะเห็นแจ้งอันเดียวกันนี้แหละแต่ลึกซึ้งไม่เท่ากันขนาดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะเห็นปฏิจจสุบาทิยังไม่เท่ากันเลยบางองค์ท่านเห็นลงมาถึงวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณท่านจบตรงนี้ท่านขาดเลย กิลสของท่านขาสะบั Get น skincare, ้นลงไปพระพุทธเจ้าท่านลึกลงไปอีกสังขารมีอยู <|ja|> ่วิญญาณจึงมีอยู่อวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่จริงท่านเนี่ยลึกลงไปอีกอะไรมีอยู่อวิชาจึงมีอยู่อสวะมีอยู่อวิชาจึงมีอยู่อะไรมีอยู่อาสวะจึงมีอยู่อวิชามีอยู่อาสวะจึงมีอยู่ วัดวัดตมันหมุนหมุนหมุนอไม่จบไม่สิ้นเลยหลอเลี้ยงกันไปมาแล้วว่าเอาวิชาเอาสวะจริงเอาวิชาก็เป็นอาสวะตัวหนึ่งเ อ, อาวิชาสวะเป็นเป็นสภาวะธรรมเป็นกิเลสที่ห่อพุ่มจิตเลยเป็นสิ่งที่ห่อพุ่มจิตนะพวกเราตอนนี้ใครภอมาแล้วเห็นสิ่งที่ห่อพุ่มจิตบ้างมีเรื่อยง เรายกมือให้ดูที่มีไหมโอ้มีข้าก็ไม่ตายทําลายก็ไม่แตกตัวนี้มันจะทําลายขาดได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะด้วยอริยมรรคแต่มันเหนียวที่สุดนะอริยมรรคครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นนะอาสวะก็แตกไปเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วแป๊บเดียวไม่กี่ขนาดจิตนั่นนะก็กลับมาหุ้มจิตใหม่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 อาสวะเป็นแบบนั้นนะมันเป็นตัวนำให้กิเลสนะย้อมจิตอย่างรวดเร็วเลยพุ่งพลวดเข้ามาที่จิตอย่างรวดเร็วเลยยั้นถ้าตรับใดอาสวะยังอยู่นะกิเลสยังมาย้อมจิตถ้าอาสวะไม่อยู่กิเลสมาย้อมจิตไม่ได้ละมายากนี่พวกเราต้องภาวนาดูของจริงดูของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไป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 คล้ายๆทุ่มก้อนหินลงน้ำตุ้มลงไปนะน้ำใหม่อีกละตุ้มลงไปอีกน้าใหม่ ก, ก้อนสุดท้ายนี่ใหญ่เลยใหญ่เต็มบอ่อเลยเข้าไปแทนที่มาไม่ได้แต่กว่าที่เราจะภาวนาจะมาเห็นตรงนี้นะมาล้างตรงนี้ได้ต้องอดท น, นเก่งไม่สำคัญหรอกฟังไปรู้มากไปล้างกิเลสไม่ได้อย่างคนเรียนตํารานะเรียน เรื่องสมถาวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาเนี่ยพระพระเขาเรียนกันในหลักสูตรนักธรรมเอกถ้าเรียนอภิธรรมนะจอยู่ในปริเสตที่เก้าริเสตเฉดสุดท้ายเลยแต่เขาเรียนก่อนเรียนก่อนตัวที่ยากที่สุดคือคำพีปัฏฐานถ้าคนที่ได้ศึกษาหลักของปริยัติเนีย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 เอกคตาเจตสิงเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงเลยเพราะงั้นไม่ต้องฝึกก็มีนี่สำคัญผิดอย่างร้ายแรงเลยสมาธิที่มีมีกันมันมิจชาสมาธิมันไม่ใช่สม า, สมาธิงั้นมันต้องฝึกนะสมาธิให้เกิดนี่พวกสุดโตงพวกหนึ่งก็คือไม่ต้องมีสมาธิเลยก็เกิดปัญญาได้โดยการอ่านอ่านไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรียนไปเรื่อยท่องไปเรื่อยนะเรียนสภาวธรรมบสองอย่างให้แตกฉาน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 เจ็ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยนิพพานเนี่ยหนึ่งจิตมีหนึ่งจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตมันหลากหลายไปได้มีตั้งเจ็ดสิบเอ้มีตั้งแปดสิบปดเท่าไรแปดบแปดสบดวงใช่พวกเราไม่มีหรอกแปดสจิตเท่าส่วนหนึ่งเป็นโลกุตระนะมรรคจิตโพลจิตสนะักแปดุถุชนนะมีแ1อดวง แลถ้าไม่ได้ทรงฌานเหลือน้อยกว่านั้นอีกเยอะเลยนะจิตจะมีแปดสิบเก้าดวงก็จริงแต่โดยธรรมชาติแล้วมีอันเดียวคือเป็นธรรมชาติรู้เพราะงั้นจิตถือเป็นสภาวะอันหนึ่งมันหลากหลายออกไปเพราะเจตสิกที่เข้ามาประกอบนะก็มีมีจิตแต่นหนึ่งนะมีนิพพานอีกหนึ่งเป็นสองอีกเจนะ็ดสิบอะสภาวะทำอีกเจ็ดสิบตัวนะมีรูปสิบแปดตัว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 เรียนปริยัติให้แตกฉานก็เรียนเรื่องสภาวะจะปฏิบัติให้แตกฉานก็คือเรียนเรื่องสภาวะเนี่ยอันเดียวกันงั้นนักปฏิบัติเรียนอะไรถามว่านักปฏิบัติเรียนอะไรเรียนอรพิธรรมนะนักปฏิบัตินั่นแหละเรียนอรพิธรรมไม่ใช่เรียนอย่างอื่นที่พวกเรามาหัดดูเราดูรูปธรรมนามารมทํางานตัวอรพิธรรมก็ตัวจิตตัวเจตสิกตัวรูปทั้งหลายนเ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 เวลาที่เรียนนะถ้าดูให้ดีพระพุทธเจ้าสอนอย่างสติปัฏฐานนะท่านสอนบางอย่างเท่านั้นเองไม่ครบเจ็ดสิบสองเรียนบางอย่างถ้าเข้าใจในสิ่งที่เรียนแล้วจะเข้าใจทั้งหมดนะเจ็ดสิบสองอย่างนี่เรียนในภาคปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติเรียนไม่มากเราฝึกตัวสําคัญก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้เนี่ยตัวนี้ตัวชี้ขาดเลยว่าจะเห็นสภาวะหรือไม่เห็น ถ้าจิตโรงสมาธิในลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงจะเห็นสภาวธรรมได้ถึงจะเห็นสภาวธรรมแสดงไตรลักษณ์ด้วยไม่ใช่เห็นแต่ตัวสภาวะถ้าเห็นสภาวะเฉยๆเป็นสมถะกรรมฐานดังั้นการเห็นรูปนามเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิที่เรียกว่าลักคนูปนิชฌานสมาธิมีทั้งหลายชนิดนะ นี่สมาธิเอ๊ะงอกแงกงอกแงกมันไม่ใช่มันมิจฉาสมาธิหรือสมาธิมักง่ายลบอกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะงั้นหมาแมวก็มีปัญญาเพราะหมาแมวก็มีจิตมีสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงวันหนึ่งหมาก็บรรลุพระอรหันต์ ท, ท, ทั้งที่เป็นหมาเราต้องไหวมันเนาะ <c oughs> ไม่เป็นหรอกเพรา ะ, ะน้นตัวที่แตกหักนะเราต้องเรียนให้ดีนะคือตัวสมาธิตัวนี้นหะ พวกนึงมักง่ายสมาธิเกิดอยู่แล้วไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำนะเรียนแต่สภาวะไปเลยพวกนี้ไม่เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะนะไม่เห็นสภาวะด้วยเพราะคิดแต่เรื่องสภาวะได้แค่คิดเรื่องสภาวะได้แค่จําตัวสภาวะเอาไว้สอบนะสอบเสร็จแล้วเดียวก็ลืมไม่เห็นของจริงอีกพวกหนึ่งนะพวกคลั่งสมาธิทําสมาธิอย่างเดียวไม่สนใจสภาวะไม่สนใจไตรลักษณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าจิตสงบแล้ว วันหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คิดมักง่ายนะจิตสงบไม่ได้ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานจิตสงบเขาทํากันมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือศีชีพไรเขาทํามาแล้วทั้งนั้นอาราละตาบทอุตกระดาบทนะั้นทำสมาธิในสุดยอดเลยนะถึงอากินจัญญายตนะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่สุดขีดที่สมาธิของปุถุชนจะทาได้นะก็ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลย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 เราศึกษาเนี่ยเราศึกษากันจริงๆเราไม่ได้ว่าตำหนิใครนะเราเรียนรู้ทางวิชาการจริงๆถูกคือถูกผิดคือผิดคำว่าประณีประนอมไม่มีประณีประนอมระหว่างถูกกับผิดไม่ใช่นะระหว่างความชั่วกับความดีไม่ใช่ประณีประนอมนั้นไม่ใช่เอามาใช้ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ประณีประนอมกับมิจฉาทิฐินะแต่ท่านไม่ให้ไปตีละคน คนลเรื่องกันนะไม่ตีกับคนไม่ทะเลาะกับคนนะต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิถึงขนาดพญามารท่านบารรลุพระอรหันต์แล้วพญามารมาชวนนิพพานท่านบอกอย่างถ้าสาวกของท่านยังสู้กับมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ท่านยังไม่นิพพานหลังๆนี่เราประณีประนอมกับมิจฉาทิฏฐิมากเหกลือเกินจนมิจฉาทิฏฐินะเข้ามาซ่อนอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างสอนกรรมฐานนะสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่าง แล้วก็อยู่อย่างนั้นในนิรันดร์ด้วยนะอยู่ภายในว่างๆนิรันดร์อยู่ภายในนิพพา น, นอะไรมีนอกมีในนิพพานอะไรต้องประคองไม่ใช่ของจริงหรือไม่ยึดอะไรสัก อ, อย่างไอ้อาก็ไม่ยึดไอ้นักก็ไม่ยึดก็มันยึดนะมันยึดความไม่ยึดอะไรมันยึดทิฐิว่าจะไม่ยึดอะไรสุดท้ายก็ยึดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการภาวนาถ้าถ้าเดินให้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนต้องรู้รูปนามนะประนีประนอมไม่ได้เด็ดขาดเลย ต้องรู้ไตรลักษณ์ด้วยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยในภาพปริยาตเรียนอยู่นะแต่พอถึงภาคปฏิบัติก็ดูไม่เป็นนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งปฏิปนอมไปเรื่อยๆจนคนเนี้ยสับสนมากเลยว่ากรรมฐานวิธีไหนที่มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เกรงใจกันนะเกรงใจกันจริงๆมันเกรงใจไม่ถูกหรอกแต่เกรงใจมันก็เป็นมารยาทจะต้องเรียน ไม่ใช่โจมตีไข่ทั้งสิ้นองอย่างพิจนากายเป็นปฏิกูลาสุภาไม่ใช่วิปัสสนาะไม่ใช่วิปัสสนาเลยทําความสงบแล้วพิจนากายเว้นสมถนะเรื่องของสมถะไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปนามงั้นเราต้องมาเรียนนะให้เห็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปนามให้ได้วิธีที่จะทําให้เห็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปนามได้ต้องมาฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญา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 วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสองวิธีเห็นไม้สอนละเอียดนะมีสองวิธีวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ทําชาญได้คนที่ทําชาญได้ก็ทําชาญไปการทําชาญต้องเลือกอารมณ์กรรามฐ า, านนะการทําสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์แต่ถ้าจะทําสมถะให้ถึงชาญต้องเลือกอารมณ์อารมณ์ของสมถะบางอย่างไม่เป็นไปเพื่อชาญ อย่างการคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ทำให้เกิดฌานนะการคิดถึงพระธรรมการคิดถึงพระสงฆ์การคิดถึงปฏิกูนสุภาคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายนะเป็นส่วนๆผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยไม่ทำให้ถึงฌานนะอันนี้จะอยู่ในขั้นอุปจารสมาธนะิเป็นส่วนใหญนะ่ตัวที่ทำให้ถึงฌานได้เช่นอะไรอานาปนานสตินะอานาคานสติ อาณาปณะสตินะใช้เดินปัญญาก็ได้นะใช้ทําฌานก็ได้เป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์นนะเพราะฉะนั้นอาณาปณะสติเนี่ยบางอาจารย์ท่านสอนไว้ท่านก็พูดดีนะอาจารย์อภิธรรมบางท่านท่านพูดเลยนะว่าอาณาปณะสตินี่เป็นกรรมฐานของมหาบุรุษไม่ใช่โมคบุรุษเพราะฉั้นไม่ใช่ของธรรมดาฝนะึกอาณาปณะสตนะิถ้าฝึกไม่เป็นมันจะพลิกเป็นสมถะไปหมดเลย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 ลมหายใจจะค่อยๆสั้นสั้นสั น, สนขึ้นมาเจอทั้งลมหายใจมาหยุดหยุดอยู่ที่ปลายจมูกอะไรเงี้ยถัดจากนั้นมันจะแปลสภาพไปเป็นแสงเป็นแสงสว่างขึ้นมาทีแรกลมหายใจเป็นอารมณ์ของสมถ ะ, ะเรียกว่าบริกรรมนิมิตตอนที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างหยุดอยู่กับที่เรียกว่าอุขะนิมิตนะแสงเนียจะสว่างจยอดได้ขยายได้นะฝึกไป ใครอยากเรียนวิชาสร้างแสงแบบย่อๆไหมวิธีทําสมาธิย่อๆเลยนะหมูหมูหมูหมูหมหมทําใจสบายอยู่ที่นี่นะถ้าเลือนมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านะสว่างทันทีเลยนะทำใจสบายนะระลึอกอย่างนี้ระลึ ก, ลกสบายอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งจะปวดลู ก, กตาเนี่ยไม่สว่างทำใจสบายสว่างทันทีเลยนะแล้วจับแสงสว่างไว้นะคราวนี้ทําสมาธิต่อเข้าชาญได้ ทำไมพระโมคคลาเข้าฌานเร็วมากทนะ่านจะมานั่งหายใจแล้วเข้าฌานหรืองู ก, กัดตายทนะ่านเคยไปสู้ย่านักนักตัวนี้ริดเยอะนะแล้วนักนิทะนักจะอาปากว่าถ้าพระแน่จริงนะให้เข้ามาในปากนะั้นมันจะงับแน่จริงออกไปให้ทันนะขนาดพระสารีบุตรอาสาเข้ามาพระเจ้ายัางไม่เอาทําไม่ได้มีพระโมคคลาทําได้ เข้าสมาธินะเข้าไปอยู่ในปากพญานาคนะออกจากสมาธิเข้าสมาธิออกมาก่อนที่มันจะงับงูงับเร็วไหมนะเด่นะานต้องมีเคล็ดลับจับแสงสว่างเนี่ยนะปุ๊บเข้าไปเลยนะไม่คือกสินชนิดหนึ่งไม่สอนดีกว่าเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวเอาแต่เล่น นี่มีสองแบบนะพอจิตจิตเนี่ยจับอยู่ความสว่างนะจิตจะมีปีติมีสุขมีกาตาทั้งนมานะข้าฌานที่หนึ่งนะตรงที่จิตยังน้อมไปจับแสงสว่างอยู่เนี่ยเรียกว่าวิตกตรงที่จิตเคล้าอยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้จงใจเรียกว่าวิจารณนะนี่พอสติระลึกรู้ว่านี่ยังมีการกระทําอยู่นี่มีการจงใจไปรู้อยู่นะความจงใจรู้นี่ดับวิตกวิจารณ์ดับลงไป ธาตุรู้ก็ผุดขึ้นมาธรรมชาติรู้ผุดขึ้นมางั้นธรรมชาติรู้ตัวเนี้จะผุดขึ้นในฌานที่สองเมื่อวิตต ว, วิจารณ์ดับไปแล้วเนะี่ยส่วนนี้ท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะแล้วนะจะเข้าฌานต่อไปก็ได้หรือถอยถอยออกมาข้างนอกกลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้นะภาวะที่จิตไปทรงอยู่กับเอโกทิภาวะตัวรู้เนี่ยมันจะติดออกมาข้างนอกด้วยก็เวลาเราเข้าสมาธิไม่ดีโมหายังติดออกมาได้เใช่ไหม ออกเข้าดีๆสิกูศลก็ติดออกมาได้นะอืงั้นจิตนก็ทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้นานนะถ้าสมาธิกล้าแข็งมากๆอยู่ได้นานมากเลยงั้นตามรู้ตามดูได้สบายมากเลยแต่ถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้เราเข้าฌานไม่ได้มีวิธีวิธีที่จะทําให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะแต่ตั้งเป็นขณนะขณะไม่ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิไม่ตั้งอยู่ในอัปป น, นาสมาธิ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 หนังหนังอะไรไม่จําเป็นหลวงพ่อไม่เอาเลยตอนตลวงพ่อตอนเป็นวัยรุ่นนะชอบดูหนังนะมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนอยู่อยู่ข้างโรงหนังมีโรงหนังล้อมอยู่สามโรง <c oughs> อยู่ที่ไหนไทยเนีย <c oughs> อยู่จุฬาโรงหนังเพียบเลยตอนเด็กๆ ก, ก็ดูนะวัยรุ่นก็ชอบดูหนังแต่ว่าพอภาวนาแล้วไม่เอาแนละ้วรู้สึกเสียเวลา ม, มากเลย เนี่ยไปหลงกับกามเนี่ยคือกามและคือที่ทําให้สมาธิเราเสียแล้นะดูทีวีก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่นิยมไม่ชอบเลยนะแต่ไหนแต่ไรให้ดูละครทีวีนี่ไม่เอาเลยทนดูไม่ได้เลยนะไปดูมันตอนหนึ่งแนละ้วทนไม่ได้นะแต่เห็นคนเขาพูดกันมากเราไปซื้อที่มันเป็นเล่มๆอะ่ะที่มันย่อมาเป็นตอนๆ น, นะเล่มหนึ่งไม่กี่บาทเราอ่านจนจบแล้วจืดแล้วไม่อ่านไม่ดูมันละนะเสียเวลา งั้นประหยัดเวลามากเลยนะเวลาอย่าไปหลงเนี่ยถ้าเราไม่เอาเวลาไปถล่มทลายใช้ด้วยตุ่มรั่วของเราทั้งหกรหูนะรั่วทางใจอันเดียวก็แย่แล้วฟุ้งจะตายอยู่แล้ววันวันหนึ่งงั้นเราทําสมาธิไปนะสังเกตไปวิธีฝึกนะหายใจไปก็ได้พุโทโธไปก็ได้แล้วจิตหนีไปจิตเรารู้จิตหนีไปจิตเรารู้อย่าพุโทโธเพื่อจะพุโทโธอย่าหายใจเพื่อจะหายใจโง่เกินไปไม่พอ ครนะูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะพุโทโธถ้าแม่พุโทโธเป็นพเน พ, นพื่อพุทโธเฉยๆนะพุทโธเรารู้ทันจิตนะพุโทโธใจ ร, รู้พุโทโธรู้ใจพุโทโธเรารู้ทันจิตด้วยพุทโธและจิตหนีไปเรารู้นีไปรู้ถ้ารู้ได้เงี้ยจิตจะตั้งขึ้นมาที่ลักษณะที่ลักษณะพอเกิดบ่อยๆนะัมันจะต่อเนื่องสิ่งที่ต่อเนื่องความจริงไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดบ่อยๆเหมือนๆกันก็เลยดูต่อเนื่องอย่างไฟฟ้าเกิดดับตลอด นะไม่ได้มีต่อเนื่องแต่มันเกิดดับทีมันรู้สึกต่อเนื่องจิตนี่เหมือนกันนะรูปมีสมาธิเป็นขณะขณะขณะถ้ามีบ่อยๆนะจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้ฝึกให้มากเลยนะในสุดจะได้สมาธิที่ทรงตัวขึ้นมาพอได้สมาธิที่ทรงตัวแล้วทีนี้ถ้าสติระลึกรู้รูปจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปเห็นเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้เวทนาไม่ได้จงใจระลึกระลึกเอง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 วิปัสนาไม่ได้แปลว่าเพ่งปัสตนาว่าการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกก็คือเห็นไตรลักษณนั่นเองแล้ววิปัสนาเนี่ยเห็นเนาจะเห็นเนาต้องจิตเจีลงไปคิดเนาต้องรู้สึกรู้สึกเอาที่หลวงพ่อใช้คําว่ารู้รู้ถ้าใช้ศัพท์ให้ถูกคือเห็นเห็นด้วยใจนะไม่ใช่เห็นด้วยตาหาดูจิตใหม่ๆดูไม่เป็นหลวงพ่อก็ไปดูด้วยตานะขวดตาแทบตาย